สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The g โกส t Radio สนับสนุนโดยวินเนอร์99 ติดต่อกับสายของคุณวาได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเรื่องที่คุณวาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปในอําเภอแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ซึ่งตัวคุณวาร์เกิดและโตที่นั่นใช้ชื่อเรื่องว่าซอยป้าจุกเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่ห้าของเราในข้ามคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณวาร์สวัสดีค่ะคุณแป๊คครับผมคุณวาเมื่อคราวที่แล้วมาเล่าเรื่องช่วงมรสุม มาหักมุมเอาตอนท้ายเป็นกลายเป็นคดีฆาตกรรมเรื่องนั้นผมจำได้ดีเลยเออนะครับเรื่องนี้เนี่ยที่คุณวาจะมาเล่านะครับเพนบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอำเภอแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ค่ะนะฮะเรื่องที่จะเล่าเนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับนานมากแล้วค่ะตั้งแต่วัยสิบห้าช่วงอายุสิบห้าเนาะ นะครับซอยประจุที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคุณว่าอ๋อเดี๋ยวรบกวนคุณวาเสียงดังกว่านี้สักสนิดนึงนะได้ค่ะครับผมรบประมาณนี้ดีเลยครับโอเคค่ะครับวาเป็นคนใต้นะคะคเกิดแล้วก็โตที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในอำเภออำเภอนึงบ้านตัววาเนี่ยเป็นเด็กหลังวัดเลยค่ะคหลังวัดชนิดที่ว่าหลัง กำแพงวัดกับหลังบ้านวาเนี่ยคือกำแพงเดียวกันครับบ้านวาเป็นตึกแถวค่ะติดคูหาครับคูหาที่หนึ่งสองสามเนี่ยหลังบ้านเขาจะเป็นผาช้าครับหลังที่สี่จนถึงหลังจนถึงบ้านวาเนี่ยจะเป็นกำแพงวัดอือแล้วก็หน้าบ้านวาเนี่ยเป็นสองคูหานะคะหน้าบ้านวาจะเป็นร้านขายของช่างอืม ส่วนข้างๆบ้านว่าที่เป็นกำแพงข้า ง, างบ้านวาเนี่ยจะเป็นซอยค่ะคเข้าไปในวัดอืมซอยเนี้ยเป็นซอยชื่อแม่วาเองเป็นซอยประจุกอืมท <ương> ุกคนก็จะรู้ว่าเออเข้าซอยเนี้มันจะเป็นทางลัดเข้าไปในวัดเขาจะเรียกกันว่าซอยประจุ<ม>ซอยจุกซอยแม่จุกแล้ว<อ> แ, แต่ประจุกนี่คือเป็นเป็นแม่ของวาเองอเป็นเจ้าของร้านไข่ของคำเนี่ยค่ะอ่อ่โอเคก็คือเป็นเป็นอยู่ทางเข้าซอยแล้วคนแถวนั้นก็เลยเรียกติดปากว่าเนี่ยซอยประจุกนะ ใช่อ่าอ่อ่อ่อบ้านวาจะเป็นชั้นขึ้นค่ะ uh. ชั้นล่างเลยจะเป็ น, นไม้ไผ่ของชมมามะนะคะแล้วก็ตรงระเบียงที่เป็นซอยกระจุกเนี่ย uh. มันจะเป็นหน้าต่างที่มีบานเกล mm. ็ดสองบานอืม mm. ชั้นบนจะเป็นห้องนอนวาค่ะตรงใจเลยเป็นหน้าต่างบานเกล็ดสองบานเหมือนกันครับ uh. เออเวลาที่มีงานศพนะค่ะแล้วก็เผาศพกันนะคะค uh. วันแล้วก็ ที่เผ้าอ่ะมันจะลอยมาทางบ้านวาเพราะว่าบ้านวานเนี่ยอยู่ใกล้ลมอือย่างคาบ้านวานเนี่ยจะดำทั้งแผ่นเลยดําไปหมดเลยครับครับแล้วก็ที่เผ้าอ่ะค่ะมันจะลอยเข้ามาในห้องวาอุย้ยที่เท่าของคนที่เสียชีวิตนอนะค่ะมันก็ไปเรื่อปกติเพราะว่าเราเกงเสิดแล้วก็โตชั่งนั่นออืแล้วก็จพเวลาที่เขาเผาศพกันอ่ะไม่ไม่ทราบว่าใครจะเป็นเหมือนวานรูร้หรไหมกลิ่นของศพจะกลิ่นมันประเค็น เราจะได้กลิ่นตลอดอะค่ะเสร็จแล้วที่นี้เนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าตอกบอกำมอสามกำลังจะขึ้นมอสี่ว่าขึ้นมาตอบอมสอสที่กรุงเทพแล้วก็ติดพ่อก็มามอาตัวอะไรอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก็อีกสักสองอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเปิดเทอ ม, มล้าก็เลยกลับลงไปที่หาดใหญ่ครับเฮ้ยขอโทษ แต่พอ่อฉันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวานก็เลยกลับลงไปที่ใต้เพื่อจะไปเต้าเต้าบ้านนะคะเพราะรว่าพ่อคุณแม่วาเนี่ยจะต้องเข้าไปในมาเลเซียเพราะเขาจะมีร้านอยู่ที่ในมาเลเซีนี้นวาเนี่ยจะต้องอยู่ร้านในคนเดียวอืวาจะมีเพื่อนสนิทไม่เพื่สนิทนะคะคือเป็นเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันมาตั้งแต่ปับิบาลยน Ng อสามเนี่ยอยู่คนหนึ่งชื่อเอเป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าไม่มีใครเรียก มันว่ายเอ๋นะทุกคนคจะเรียกมันว่ายบิ๊กิ๊เนี่ยมาจากบิ๊กโลในการ์ตูนดั้งเดอม น, น, นะคะตัวจะเขียวๆออกดำดำดำจนเขียว อ, อำำ่วอะแล้วก็จะหูแหลมๆตาตี อ, อ, อืออ่าเอ๋ๆเขาจะหน้าตายอย่างนั้นเลยทุกคนก็จะเรียกมันว่ายบิ๊กแล้วมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์ของมันเป็นมออร์ไซค์ประจำตัวของมันคันนึงอเป็นยามาฮ่า YL1 แลอว่าจะเรียกจะว่าแมวป่า แล้วาก็ไม่ค่อยแน่ใจอะค่ะแต่เขาจะเรียกมีสายญาของไอ้บิ๊กว่าไอ้บิ๊กแนวฝามันจะขับมอใจของมันต่างๆอยู่ในชุมชนๆตรงนั้นแล้วค่ะแต่แล้วที่นี่ไอ้บิ๊กเนี่ยมันก็จะชอบมาเลาะ ก, กับบ้านวาอืตลอดด้วยความที่มันเป็นเด็กค่อนข้า ง, งเกเรนะคะคแล้วก็ไม่ค่อยเข้าเรียนก็จะมาเลาะ ก, กับบ้านวาตลอดอืทีนี้พอวาสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าก็ต้องอบอกเข้าบ้านเพื่อที่พ่อกับแม่นจะไปมาเลย ว่าก็เป้าอยู่คนเดียวค่ะอม mm hmm. มีอยู่วันหนึง่งเออว่าก็ขายของเหมอนวันปกตินี่แหละ mm hmm. ไอ้บิ๊กมึงขับมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน mm hmm. สามคน mm hmm. เออมีผู้หญิงซ้อนท้ายมาสองคน mm hmm. มันก็ตรงมาที่หน้าบ้านว่าเลยมันจอด mm hmm. มันก็ชวนวาไปชว่าไปเที่ยวทะเล mm hmm. มันก็บอกว่าเออไปเที่ยวทะเลที่ที่นี่ที่นี่ไหมเราก็เลยบอกว่า ว่าไม่ไปไปไม่ได้มาอยู่้า้คนเดียวแม่ไม่อยู่มันก็เลยบอกว่าไปเถอะมึงก็ปิดร้านทีทีอไม่มีใครรู้หรอกมันก็เลยบอกว่าไปไม่ได้เดี๋ยวแม่ตีครับมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปเถอะนีครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะไม่เจอกันแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นยืนเพื่แล้วอคือมันก็เลยบอกว่ามันว่าไม่ไปคือนี้ค่ะถว่ายไปเนี่ยมันจะต้องโดนแม่ตีเพราะว่าแม่ใหเป้าร้านอืเสร็จแล้วทีนี้ ใจว่าก็คิดว่าถ้าว่าจะต้องโดนแม่ตีด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนึ่ยก็ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ติดร้านแล้วหนีไปเที่ยวทะเลกับชายแบบนั้นไปแล้วอีกอย่างหนึง่งมันพูดคำว่าครั้งสุดท้ายเราเดี๋ยวจะไม่เจอกันแล้วเนี่ยคือเขาไปจะเป็นคู่คู่ะค่ะแล้วว่าสวัสดีว่าก็ต้องคู่ใหญ่ดิ๊กแล้วถ้าเกิดวันมันหน้ามืดมันพาวาด่าพาวาไปแล้วไปข่มขืนแล้วฆ่าว่าทิ้งแถวทะเลที่มันพาไปอ ไม่มีใครรู้เลยนะเพราว่าพ่อกับแม่ว่าไม่อยู่กว่าพ่อแม่จะว่าจะกลับมาเมืองไทยอ่ะว่าก็เน่าอยู่แถวนั้นค่ะตอนนั้นความคิดว่าอย่างนั้นนะคือตอนนั้นเราก็ไปก็คิดในเงี้ยแง่ลบไว้ก่อนเลยใช่เพราะมันก็ค่อนข้างจะอันพาร์ตนะคะแล้วก็คือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแถวบ้านว่าเนี่ยคนโอเคไงเพราว่าคนถบ้านอยู่บัตรสมบัือแต่ไปอยู่ตรงทะเลตรงนู้นอ่ะมันไม่มีใครรู้เลยถ้ามันเอาเราไปทิ้งไว้ตรงนั้นอ่ะก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยค่ะว่าก็เลยไม่ใส่ดีกว่า จแล้วว่าจะขายของของวาปกติเจ็ดกระทั่งประมาณทุ่มหนึ่งได้อ่ะค่ะว่าก็เปิดวิดีโอดูเมื่อก่อนมันเป็นวีดีโอนะคะเปิดวีดีโอดูแล้วก็ปิดไฟมืดๆแต่ว่าหน้าบ้านเนี่ยปาปาเปิดไฟสว่างนะแต่กลางบ้านที่วาดึงหนังอยู่อ่ะมันจะปิดไฟมืดเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้อารมณ์ในการดูหนังอะนะคะเวลาที่ใครมาซื้อของเขาก็จะเรียกแล้วก็จะเดินไปขายของเขาครับ ว่าจะนั่งอยู่ตรงโซฟากลางบ้านที่ระเบียงที่ว่าเล่าสัางว่ากำแทงกะแพงซอยประตูอะค่ะคว่าจะมีหนา้าต่างอยู่เป็นอันเจ็บออกบ้านตรงไม้หน้าปกติแล้วจะเปิดไฟครับตรงนอกระเบียงที่เป็นซอยนะคะจะเปิดไฟแต่วันนั้น่ะว่ากิดไฟเพราะว่าแสงแสงมันจะแยงเข้ามาในบ้านแต่ว่าจะรีบขอทัดไม่ค่อยโอเคอว่าก็ดูไปสักพักหนึ่งวันได้ยินเสียงอืมว่า ว่าวาก็เลยขะโมไปดูข้างนอกอะค่ะก็เห็นเป็นดิ้นไยืนดิวาก็เลยเอ้าแล้วทําไมมึงไม่เดินเข้ามาหน้าร้านล่ะมันยืนอะไรตรงนี้มันก็เลยบอกว่าออืมันก็เลยบอกว่าเออืมคุณว่าบอกว่ามันบอกว่ามีของจะให้วาค่ะให้วาไปที่สาราสอง ครับเราก็เลยบอกว่าเออจะให้อะไรอ่าก็ให้มาเลยละกันเพราะว่าครับเ้าว่าเดินไปเนี่ยว่าไม่เดินไปมันมืดอืมอืมมันก็เลยบอกว่าไปเธอะครั้งสุดท้ายแล้วอืมล้วก็เลยเอ๊ะมันต้องกาดครั้งสุดท้ายอีกแล้วเราก็เลยรักปากสงสุงว่าเออโอเคเดี๋ยวปิดร้านแล้วจะไปครับครับแตแล้วมันก็มันก็หายไปตอนไหนเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าดูทอลทัศชอยู่อือ พักหนึ่ประมาณสักสองทุ่ได้อ่ะค่ะสองทุ่ ม, ะะ ส, อมสองทุ่มครึ่งเนี่ยก็มีคนมาจอดรถหน้าบ้านวัดติงเลยหลังก็เลยคิดได้โดยนัยยะเลยว่าถึงใส่จะมีงานศพข้างในงวัดอืมคนก็มาซื้อของของวา น, นี่นะะแหละค่ะแล้วก็จะเดินเข้าซอยวัเพื่อจะไปงานศพเนี่ยะคะ่คะเราก็ขายของของวาไปเรื่อยๆเลยเปนประมาณสามทุ่ม嗯嗯แล้วก็เราก็ปิดร้านค แล้วว่าก็อาบน้ําขึ้นนอนของว่าปกติก็อ่านหนังสือสปูนขอวานะคะสักพักเราก็ได้ยินเสียงมันปิงนะคะมันปลามาที่หน้าต่างบานเก็บข้างบนห้องวาที่บอกมีหน้าต่างอีกสองบานเนี่ยนะคะก็ปาน้ำวาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนวาเพราะว่าคนปกติเขาจะไม่เอากระถิ่นมาปาห้องบายอยู่แล้ว่ะก็เลยชะโงกหน้าไปดูพอเชงโมกหน้าไปดูว่าเห็นรองเท้าสกอร์กับจเกงยีน ยืนอยู่ตรงในซอยเงล่ะเห็นเห็นแค่นี้นะแต่ว่าส่วนบนเนี่ยมันมีต้นไม้บางอยู่ออืว่าไม่เห็นว่าเป็นใครแต่ว่าคิดว่าเป็นีว่าเมื่อเช้ามแต่งชุดเนี้ยออืว่าก็เลยนขึ้นได้อเออรักษาคนหนึ่งดีกว่าว่าจะไปสาราสองว่าก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาจากบ้านเดินก็เป็นซอยก็ไปในตรงไปในที่สาราสองเพราะว่าก็ไม่รู้มันจะเอาอะไรให้วายค่ะเพราะว่าไปถึงว่าก็เห็น ที่วัดเนี่ยเขาจะมีศาลาอยู่ห้าศาลาค่ะอือืมอืมีจบทุกศาลาเลยฮะวาก็เลยเดินมาที่ศาลาสองเข้าไปที่ศาลาสองเนี่ยว่าเห็นเพื่อนในห้องเดียวห้องเดียวว่าห้องเรียนเดียวว่าครับอยู่เต็มเลยฮะวก็เดินเข้าไปว่าก็ขี้ไม่ใจเกิดอะไรขึ้นวะอืมเสร็จแล้วทีนี้เพื่อนผู้หญิงคนนึงเข้ามาเกอดวาค่ะแล้วก็บอกว่าว่าว่าพี่เพื่อตายแล้วนะอือแล้วก็ <c oughs> คือเมื่อกี้มันก็ยังไปตามเราอยู่ครับครับตอนทุ่มมันก็ยังกระซิบหยิบข้างหน้าต่างว่าเฮ้ยมาหาหน่อยดีของจะให้ครับแต่ว่าก็ยังไม่พูดอะไรกับเพื่อนนะคะมันก็เดินเข้าไปในสาลาคือแบบมาตั้งใจจะเออิดูกระตุก ด, ดูวิสุดอะว่าว่าเป็นอะไรเนี่ยเข้าไปในสาลาก็ไปเจอลูกไอ้ดีจะหายอยู่หน้าศพว่าซุกนั่งเลยครับแล้วพี่สาวดีก็ยื่นทูบให้วาอืหนึ่งดอกออืวาก็ ไวออหว้โหดจิตกรรมให้มันนะคะแล้วก็บอกมันว่าเออที่มึงบอกท้องจะให้ดูอะคูณมาแล้วนะอืมึงจะไม่ให้คุณบุญรู้สกมึงใช่ไหมโอเคคุมาแล้วนะเลยก็ไหว้เสร็จแล้วก็ตะทูบแล้วก็เดินออกมาหาเพื่อนอนั่งอยู่ข้างนอกแบบนะะี้ค่ะแล้วก็มานั่งข้างๆเพื่อนว่แล้วก็ถามมันว่าไอ้บิ๊เป็นไรตายอเพื่อนว่ะก็เลยบอกว่าไอ้ีิ๊กมันโดนยิงโดนยิงค่ะอ่าแล้วก็บอกว่าอืม โดนยิงที่ไหนคือว่าก็แบบช็อกอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังพอพูดกับมันได้อยู่ทีนี้เรื่องต่อไปที่เพื่อนว่าเล่าให้ว่าฟังอนีมันคือมันตกใจมากกว่าที่เจอผีบิ๊่ๆค่ะเพื่อนมันเล่าว่าอ้บิเนี่ยจริงๆไอ้บิ๊เนี่ยมัน้ายากับเพื่อนสามคนรวมทั้งวันด้วยนะคะสามคนแล้วก็ช่วงมาน่าเป็นปีที่เขา ตอนกันนะคะครับครับมันก็เลยโดนโดนเจ็บทางไปทะเลนี่แหละสคนครับเราก็เลยพูดว่าเฮ้ยแต่ว่ามันไปกันห้าคนใช่หรือเพื่อนก็ตกใจเครื่องก็ถามครัแล้วมึงรู้ได้ไงไปห้าคนคเราเลยรลฟ์ฟังว่ามืช้ามันมาหาอืเพื่องมาก็เลยบอกว่าเออก็มึงเห็นไหมนะสาราห้าสารานที่อยู่เนี่ยออืโดนยินตายหมดเลยนี่แหละผู้หญิงสองคนก็โดนยิงตายด้วยอืม เพราะว่าไอ้คนยิงคิดคิดว่าไอ้คนเหีือน่าจะและคนผู้หญิงน่าจะถึงหน้าคนยิงอะค่ะเขาก็เลยเจ็บแล้วที่ว่าช็อตก็คือถ้าวันนี้นั้นแม่วาอยู่อ่ะเวลาว่าไปกับมันอะว่าคือโปกที่โกนะคะดิฉันเฮยคุณหูลุกเลยเท่ากับว่าศาลาที่บอกว่ามีอยู่ห้าสาราสเต็มทุกศาลาคือเป็นโค้ดเดียวกันหมดเลยอ๋อใช่ค่ะ ก็คือถ้าคนนี้เป็นเด็กแถวบ้านวาทั้งหมดนะคะแล้วก็อยู่โรงเรียนเดียววะโยนเดียวกับว้าทั้งหมดเป็นั้นเวลาที่เขาสบมาก็คือก็ก็เนี่ย่ะวัดนี้เลยอืออู้หูถ้าวันนั้นบังเอิญแม่อยู่คุณวาคิดว่าคุณวาไปไหมศพที่หกแน่นอนค่ะแจ๊กไม่ได้มาคุยเหมือนแจ๊กนี้หรอกคือไปแน่นอนใช่ไหมถ้าคุณแม่อยู่ อาจจะได้ไปนะเพราะว่าวาลก็อยากจะไปแบบทะเอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าใจหนึ่งวาก็กลัวไอ้ดิ๊อยู่นะคครครัับบแต่คิดว่าอาจจะไปอ่ะถ้าแม่อยู่ไปแน่เพราะว่าไม่โดนปีอ่ะถ้าเกิดว่าแม่อยู่นะโอ้ยเดชบุญมากเลยอะ่ะเอเออนะครับคือโอ้โหเฮ้ยคิดคิดภาพวันนั้นถ้าไปอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ไม่รู้เราไม่ได้คุยกันแบบแบบนี้แน่ เออเหมือนอูดีได้ดีมากๆที่แม่ไม่อยู่นะวันนั้นแล้วเขาก็พูดแปลกๆด้วยว่าครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายแล้อแต่จริงๆใจว่าคิดว่าครั้งสุดท้ายของมันอ่ะไม่ใช่เป็นเพาะยังไงไม่ใช่เป็นลางนะคะว่าคิดว่ามันอาจจะทําอะไรเราหรือเปล่ามันก็เลยไม่ใอ่อาจจะทิ้งทัวร์อะไรเงี้ยตอนวันไปปีนจิงเทพอะไรเงี้ยครับครับ เขาเพื่อนสมัยเด็กนี่บางทีมันก็ไปใจไม่ได้ อ, อือถ้าเกิดว่าผู้หญิงสองคนที่ไปด้วยก็คือเหมือนกันหมดเลยโดนเหมือนกันหมดโดนยิงโดนยิงนยนย่งอมดเลค่ะไม่มีท่าสเลยโอยเออนะฮะเป็นเป็นช่วงนี่แหละเรื่องของยาเสพติดอะ่ะใช่ค่ะโ อ, อ้นะครับคือไอ้ไอ้ไอ้คนขายก็ขายกันจังเลยนะครับทั้งๆที่รู้ว่ามันผิดกฎหมายนะครับผลสุดท้ายก็เอาจริงๆถ้าไม่โดน กฎหมายทำอะไรไม่โดนตำรวจจับไม่ติดคุกก็นี่แหละครับหักหลังฆ่ากันเองเอ้ทุนนั้นจะมีออข่าวมากเลยแ ต, ตกออ่อนเยอะมากค่ะใช่ครับน่ากลัวพวกนี้อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวกับมันดีที่สุดนะไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันโอ้มันทาลายประเทศชาติเยอะมากเลยนะฮะเออนะครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันสำหรับเรื่องนี้เนาะนะครับเรื่อง <c oughs> ขออภัยฮะเรื่องของไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผมสุดท้ายคือเนี่ยพาคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่ไปตายด้วยอีกสองคนเกิดเป็นรายที่หกสำหรับตัวของคุณวาค่ะนะนะครับได้ครับคุณวาขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของซอยประจุกมันมีนิดนึงนิดเดียวหอยเกลือมาเพิ่งเจอเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอืมอืมอเป็นเรื่องแปลก พอเราได้ไหมคะเล่ได้ฮะคือวาวิ่งไปเส้นทางหลวงชนบดเส้นหนึง่งระหว่างชีบุรีกับฉะเชิงเซาครับเอ่อแล้วตอนนั้นมันค่ําค่ะประมาณสักทุ่มหกโมงถึงทุ่มมืดอะคะอ่ะว่าไปเจองูตัวใหญ่มากเลยข้าเรือท่านถนนอยู่ครับเ็จ แ, แล้ววาก็จอดรอให้ง ม, มันข้ามถนนนะคะคแล้ววาก็ เห็นหัวงูอะเป็นปกติถ้าหัวงูมันเลยออืเลยเลนโดยเลนฝั่งตรงข้ามไปแล้วมันก็จะลงยญ้าไปอะค่ะบป็นนี้หัวงูมันเชิดขึ้นออืเราก็เลยมองตามหัวงูไปมันเชิดขึ้นเหมือนจะขึ้นต้นไม้แต่ถอดเลยไม่มีต้นไม้นะคะมันเป็นแห่งน้ำสองข้างทางครับมันเลยขึ้นขาคนนะคะขาคน่ะขาคนใส่กางเกงเลอแล้วก็ใส่เสื้อม้าฮ่มออผมยาวมวยผมออืหันหน้าออก ออกแห่งน้ําอะค่ะแล้วก็หันหลังให้ถนนงูมันก็เลื้อยขึ้นงูตัวยาวมากตัวใหญ่และยาวคาดว่าเ่าจะเป็นตจงหางนะคเลื้อยไปจนไปทันคอเขาอะค่ะอือรอบเลยแต่ก็ไม่ได้แผ่นมาเบี้ยนะพันเหมือนเหมือนพักผ่อนอะค่อแล้วผู้ชายคนนั้นก็กอดอกออืคือว่าวามองเห็นเ้าในมุมร้อยห้าสิบองศานะคะเพราะว่าอยู่ห่างจากงูประมาณสิบสิบเมตะค่ะค่ะ วาก็ไปเห็นเขาเฉียงๆว่าเห็นเขาเขาเขาเป็นผู้ชายนะมีค่อนข้างมีอายุแหละแต่เขาก็ยืนนิ่งๆว่ามั่นใจว่าเขาเป็นคนนะแล้ววาก็มั่นใจเร่องงูนั้นน่ะก็เป็นงจริงๆออแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรตรงนั้นเร่องงูไปค้อยขอเขาไร้ยับแล้วแล้วแล้วยังไงต่อมายถึงว่าเราก็ขับรถไปหรือเรารอดูหรือยังไงฮะก็ก็ยืนก็จอดรอเรื่องเขาอะค่ะแต่แล้วข้างหลังมันก็บีบแตร่ไล่วาวาก็ได้สติว่าขับไปออื เขาขับไปได้พักเป็นถึงทางหลวงที่มันเป็นเลขานตัวค่ะถึงปัมน้ำมันเนี้ยเขาก็เลยถามแฟนว่าว่าเห็นอย่งางไหมแฟนมาบอกว่าเห็นเป็นงูข้ามถนน ว, นว่าแฟนว่ากำลังเออจดออเดอร์ลูกค้าอยู่ค่ะออืเราก็เลยเล่าอย่างเนี้ยให้แฟนมาฟังแฟนมาบอกว่าสงสัยว่าเขาเล่นของมั้งปล่อยของหรือเปล่าเรลยแบบเฮ้ยมันฉัดถึงเ้าอะตอนนั้นเป็นครึ่งครึ่งไอ้จะเอเขาทั้งมันถุงอีกครึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรที่แบบ อันี้เขาเลี้ย ง, ง, งยจ ง, งอ่างวายจงอ่างแบต้องะดบแฝดอ่ะเลยมาเล่าคุณแจ๊คปะคือเลี้ยงจงอางเนี่ยไม่ใช่ว่ากวักมือมามม า, มาลูกมาเลื้อยมามมปุ๊บเลยแบบนี่ผ<ม>้วญ<ป>ิหาเนอะคุณแจ๊คเออดิ <S <S> <S คือเลี้ยงจงอางเนี่ยเขาก็เลี้ยงกันปกติแต่ไม่ใช่แบบเขามันไม่ได้เชื่องเรียก ง, ง่ายๆแบบมามขึ้นมาพันคอพ่อมมันมันเป็นไปไม่ได้ไงเฮ้ยโอ้โหว่าเธออะไรครับวันนี้ที่สอาทิตย์ที่จะเล่าเรื่องนี้แล้ค่ะแต่ว่ามันสั้นก็เลยมาเล่าเรื่องที่ เจอครั้งแรกเจอประสบการณ์นี้เป็นหลักครั้งแรกคนรู้ว่าอยู่ดีออยิงมือเลื้อยขึ้นไปพันคอเนี่ยเฮ้ยเออผมผมเป็นคนกลัวมากแล้วว่างค่ะตอบไม่มด้นะว่ามันคืออะไรคือแบนเห<อ>มือนผ่านทางไปแล้วเจออค่ะครับครับเออก็ถือว่าเป็นเรื่องแป ล, แปลกอันนี้แปลกคือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ดูให้สุดแต่เราจะเห็นความจริงเลยมันมันไมีอะไรที่มันกระจ่างเลยว่าถ้าภาพนั้นแวบหายไปโอเคมันไม่ปกติละ ไม่เหนื่ยคุณแจ้เพราะว่าวาขับไปช้าๆน่ะพอว่าขับไปสักพักว้าก็จะตรงกับงูที่อยู่ใช่ไหมก็จะตรงกับที่มันผัานคอเขาพอดีตราก็ยังอยู่นะว้าขับเลยก็ไปว้าหันไปมองเขาก็ยังอยู่ออืแล้วก็เลยมั่นใจว่าเฮ้ยเขาว่าคุ้นมันไม่มีทางแบบเลี้ยงงูได้เชื่องอะไรขนาดนั้นไม่มีทางอ่ะเพราะว่าหมู่หมู่บ้านงูจงอางเนี่ยเขาก็เลี้ยงกันเยอะแยะแต่ก็แบบมันก็ไม่ได้เชื่องนะงูไม่มีทางเชื่อง ยิ่งเป็นพวกงูจงอางงูพิษไม่มีทางเชื่องครับเอองูเห่ามั้งอุ้ยตัวใหญ่อะถ้าจงอางเนี่ยเขาจะมีลายอะไรเพราว่าอยูเลนฝั่งตรงข้ามนะครับห่างเพราะว่าอยู่ตรงฝั่งวานแล้วก็ยังไม่ค้นมนจากตรงย่าข้างทางครับครับไม่ใช่งูเห่าแน่นอนค่ะเอูถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆครับแปลกเลยแหละเออไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรอะเนาะ ครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณวาขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังนะค่ะนะฮะขอบพระคุณมากๆครับคุณวาครับค่ะค่ะสวัสดีสสดครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม subscribe c h ANNEL THE g o a t RADIO OFFICIAL กันด้วยนะครับ <laughs>